Thank you. สังเกตหรือเปล่าว่าใจเราหลงเข้าไปในความคิดนะอยู่ บ, บ่อยๆหรือว่าหลงก็ไปคิดก็ได้นะบทีก็คิดยืดยาวเลยตอนนั้นแหละที่เรียกว่าลืมตัวลืมว่ากำลังทาวัดสวดมนต์พอลืมตัวแล้วมันก็ยิ่งหลงเข้าไปใหญ่ คิดโน่นคิดนี่คิดเป็นเรื่องเป็นราวบางทีก็คิดถึงงานแล้วคิดต่อไปถึงเพื่อนร่วมงานแล้วคิดต่อไปนะถึงครอบครัวเขาก็ต่อไปนะถึงเรื่องที่เคยทำอะไรด้วยกันบางทีก็ยาวไปนะถึงเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองกว่าจะรู้ตัวก็ อ, อ๋อ คิดไปหลายเรื่องแล้วสดม น, นี่แค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยแต่เราหลงแล้วก็ลืมไปไม่รู้กี่ครั้งละมันหลงคิดนะหลงก็ไปในความคิดหรือว่าลืมตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่อันนี้มันเป็นแม้กระทั่งคนที่จำเก่งนะบางคนที่จำเก่ง ทำอะไรไปเมื่อวานกินข้าวอะไรนะกินกับอะไรเมื่อวานก็จําได้คุยอะไรกันก็จําได้นะแต่ว่าก็ยังลืมตัวบ่อยนะราอา จ, จะจำโน่นจํานี่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ลืมตัวลืมตัวบ่อยด้วยแต่คาว่าลืมตัวเนี่ยมันไม่ได้ มันก็มีหลายหลายระดับนะลืมตัวแบบบัวลืมตีงก็แบบหนึ่งละอย่ที่เขาพูดเนีย่ยจะลืมตัวนะเหมือนบัวลืมตีนอันนี้ก็ความหมายหนึ่งคือลืมว่าเคยมีรากเงานะี่ยเคยมีกําพืชมาอย่างไรอาจจะเป็นชาวนาเป็นลูกชาวนาแล้วพอได้ดิบได้ดีนะเป็นข้าราชการชั้นสูง เป็นหัวหน้ากองนะหรือว่าเป็นอธิบดีก็รังเกียจคนยากคนจนหรือว่าลืมร่างเงาของตัวนะอันนี้ก็เรียกว่าลืมตัวแบบหนึ่งเหมือนกันน ะ, ะพวกเราคงไม่เป็นหรอกแบบนี้แต่ว่าไอ้ที่มันละเอียดกว่านั้นเนี่ยก็เป็นบ่อยๆนะไม่ใช่เพราะเวลาทําวัดนะ ที่ลืมตัวไม่รู้กี่ครั้งเดินมาจากกุฏิที่พักมาหอตไตรก็เดินบางทีแค่ห้านาทีเท่านั้นแหละแต่ว่าลืมเป็นพักๆขณะที่เดินใจมันก็ลอยลอยไปคิดเรื่องโน้ตเรื่องนี้ จะคิดว่าเออเดี๋ยวเช้านี้จะทำอะไรหรือวางแผนว่าจะกลับบ้านวันไหนอันนี้ก็เรียกว่าลืมนะลืมตัวแต่ว่าก็ยังมาถูกนะยังมาที่หอใรถูกเพราะว่าลืมตัวประเดี๋ยวเดียวบางทีใจลอยนะเดินมาใจลอยคิดโน้นคิดนี้แต่พอได้ยินเสียงพระสวดมนตนะ์ มันก็ได้สติเลยนะไอ้ที่หลงนี่ก็เปลี่ยนากายเป็นความรู้ตัวเวลากินข้าวก็เหมือนกันนะในยิ่งยิ่งหลงก็ไปใหญ่เลยเพราะว่าตอนที่กินข้าวเนี่ยนะรสชาติมันถูกปากบ้างแหลวความรอร่อยเกิดความสุขพอสุขนี่มันก็ฟุ้งเลยนะใจมันก็ลอยคิดเป็นโน่นคิดเปน็นี่อีกอย่างหนึ่ง เรามักจะปล่อยใจลอยเวลากินข้าวอยู่แล้วนี่สายนี้มันสะสมมานะตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยพอถึงเวลากินข้าวเลยใจลอยเลยนะคิดโน่ยคิดนี่ปากเคี้ยวแต่ว่าใจไม่รู่ไหนตรงนั้นก็ให้รู้นะว่าเนี่ยหลงละหลงไปคิดหรือว่าหลงเข้าไปในความคิดตรงนั้นแหละเรียกว่าลืมตัวแล้วละ่ะคือลืมว่ากาลังกินอยู่ กำลังกินอาหารอยู่ฉะนั้นเวลาแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยเราหลงลงลืมลืมไปไม่รู้กี่ครั้งนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เกิดปัญหามากเท่าไหรเ่เพราะว่าหลงลืมไปประเดี๋ยวประดาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมากลับมาเดีวก็ไปใหม่เดี๋ยวกลับมาแล้วมันไม่ใช่แค่กิจวัตรประจําวันนะที่เรา หล ง, ล, งลืมลืมเวลาทำงานทำการก็เหมือนกันนะทำงานทำการหรือว่าเวลามีกิจจะทำอะไรก็ตามบางคนเนี่ยมาหาพระเนี่ยอยากจะไปฟังธรรมจากท่านตั้งใจเลยนะว่าเออเนี่ยเราสาเดินทางจากบ้านมาหรือบางทีก็อยู่ไกลาจากกรุงเทพนะ มาเจอพระเจอหลวงพ่อก็อยากจะฟังธรรมจากท่านแต่ว่าพอสนทนากันได้สักพักตัวเองก็มีเรื่องระบายระบายระบายระบายเล่าอย่างเดียวเลยเป็นฝ่ายเล่าอย่างเดียวเลยก็คือครึ่งชั่วโมงเล่าแต่เรื่องของตัวจนหมดเวลาจึงนึกขึ้นมาได้โอ้ เราตั้งใจจะมาฟังธรรมอย่างท่านแต่เรากลับเป็นฝ่ายพูดคนเดียวเลยอันนี้เรียกว่าอะไรันนี้เรียกว่าลืมนะอันนี้เรียกว่าหลงคือลืมความตั้งใจลืมความตั้งใจและพ อ, พอพูดแล้วพอเล่าแล้วเนี่ยนะสิ่งที่อัดอั้นเนี่ยมันก็ทำให้ยิ่งหลงเข้าไปใหญ่เลยตอนที่เล่านี้ก็ลืมตัวนะ อยากจะระบายนะอยากจะระบายออกไปบองคนมานึกได้ตอนกลับบ้านแล้วโอ้ตายแล้วเนี่ยเราตั้งใจว่าจะมาฟังธรรมจากท่านให้ท่านได้ชี้แนะคติธรรมปรากว่าเรามาพูดคนเดียวเลยนะเคยเป็นอย่างนี้บ้างก็ปบานนี่ลืมตัวนะเนี่ยนี่เรียกว่าหลง บางคนเนี่ยตั้งใจนะว่าจะไปจะไปซื้อฐานไฟฉายนะ mm hmm. ก็เข้าห้างนะเพราะว่าห้างมัน เ, เดินผ่านห้างพอดีห้างสรรพสินค้าเนี่ย mm hmm. จะไปซื้อฐานไฟฉายหรือบางทีก็จะไปซื้อรองเท้าแตะแต่พอไปที่ห้างเห็นเขาลดนะเห็นเขาขายลดราคานะเรียกว่าลดก็นนำ ก็ซื้อนอนซื้อนี่มาท่านเรียกว่าเป็นสองถุงใหญ่เลยพอกลับมาถึงบ้านจึงนึกขึ้นมาได้เ อ, อ้าเราไม่ได้ซื้อฐานไฟฉายแล้วก็รองเท้าแตะเคยเป็นต้งแต่เนียตั้งใจว่าจะซื้อนะอะไรสักอย่างในห้างเนี่ยแต่ว่าไปอยู่ในนั้นเป็นชั่วโมงซื้ออะไรต้องเยอะแยะมีอย่างเดียวที่ไม่ได้ซื้อคือสิ่งที่ตั้งใจไว้แต่เดิม นี่เรียกว่าหลงกันนะหลงเพราะว่าพอเห็นของนะเห็นของสวยๆงามๆหรือว่าของที่ราคาถูกนะลดราคาก็อยากได้ไอ้ความอยากเนี่ยมันทําให้ลืมตัวเห็นก็ซื้อเลยนะนะซื้อซื้อซื้อซื้อไอ้ที่ตั้งใจว่าจะซื้อนะ ตั้งแต่ออกจากบ้านนี่ตั้งใจจะซื้อนั่นซื้อนี่ไม่ได้ซื้อลืมนี่เรียกว่าลืมตัวนะแต่เราไม่ค่อยสังเกตลองสังเกตในชีวิตประจำวันเราเนี่ยนะมันหลงอยู่บ่อยๆเรียกว่าเราหลงมากก็รู้นะรู้ในที่นี่ไม่ใช่รู้วิชานะไม่ไม่ใช่รู้ข่าวสารบ้านเมืองนะแต่มาถึงรู้ตัว ไอ้รู้อย่างแรกนี่มันรู้นอกตัวนะรู้เรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองรู้ว่ากรมอุตุนิยมแลเขาประกาศเตือนว่าจะมีพายุฤดูร้อนวันนั้นวันนี้อันนั้นเนี่ยรู้นอกตัวแต่ว่าที่ไม่ค่อยมีกันคือว่ารู้ตัวไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะทำรู้ตัวด้วยความรู้ตัวอยู่ตลอด สวดมนต์เนี่ยทาวัดเนี่ยบางคนเนี่ยสวดคล่องยิ่งหลงเข้าไปใหญ่เลยนะคือหลงเข้าไปในความคิดเพราะว่าสวดได้คล่องกัเนเองนะปากก็ว่าไปแต่ว่าใจเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนไม่เหมือนคนที่สวดไม่ค่อยคล่องสวดไม่คยคล่องนี่เาก็จะมีสมาธิอยู่กับหนังสือที่กขลาลังอ่านแต่ก็ไม่แน่บางคนอ่านจนคล่องนะตาก็มอง ตัวหนังสือปากก็ว่าไปใจไม่รู้อยู่ไหนมันกลับมาเป็นพักๆมันไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับก็ดูเหมือนว่าสวดมนต์ไปด้วยคิดไปด้วยแต่ที่จริงมันทําคนละขนานะแต่ว่ามันกลับไปกลับมาถี่มากนะจนเหมือนกับว่าทำพร้อมกันแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกนะเราลองสังเกตดูนะว่าเนี่ยวันวันนึงเนี่ยเราหลงไปกี่ร้อยกี่พันครั้ง นะเราลืมตัวนี่เป็นร้อยรอยครั้งก็ว่าได้เรียว่าเป็นพันครั้งนะดีกว่านะเพราะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนหะลงลืมไปแวบบแวบบแบบแบบเนี่ยไม่ว่าแว บ, บน้อยหรือแว บ, บใหญ่นะหรือว่าพักหรือว่าเป็นพักใหญ่เลยเนี่ยไม่รู้เท่าไหรนะ่ไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งให้รู้จักเอาไว้บ้างเออนี่เราเราหลงนะนี่เราลืมนะ การมองหรือการสังเกตตรงนี้มันก็มีส่วนช่วยนะที่ทำให้เราเนี่ยทำความรู้สึกตัวได้ดีขึ้นเพราะเวลาทำอะไรเนี่ยเราก็ค่อยๆฝึกใจเรานะให้อยู่กับสิ่งนั้นนะเวลาใจมันหลงหรือว่าลืมพอรู้ตัวพุ่กลับมาคือตั้งใจว่าพอตั้งใจว่าเนี่ยเราจะฝึกปฏิบัตินะให้มีสติไม่ใช่แค่เดินจงกรมสร้างจังหวะอย่างเดียวนะ ที่มันจะช่วยฝึกสติเราได้ในชีวิตประจำวันนี่แหละเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันนะเก็บที่นอนดื่มน้ำเนี่ยลองสังเกตใจของเราเนะแต่ว่าอย่าไปจ้องนะอย่าไปจ้องอย่าไปถึงกับจ้องดูใจอันนี้มันก็มันจะเพ่งเข้าไหนกาลังดื่มน้ำกาลังลินน้ำใส่แก้วนี่แต่มาดูใจจ้องทีใจนี่อย่างนี้ก็เรียกว่า ไม่มีสติเหมือนกันนะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไม่ได้ทําด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมระหว่าที่เร า, เราลินน้ําใส่แก้ว ก, ก็มาสังเกตใจนิดหน่อยนะแค่นั้นเองหรือถ้าดีเนี่ยก็พอเมื่อมันหลงหรือว่ามันลืมไปสักพักหนึ่งแล้วเออค่อยมารู้เนะี่ยอันนี้ดีกว่าอันนี้เรียกว่าตามรู้นะคือรู้ทีหลังนะรู้ตามหลังนะไม่ใช่ไม่ใช่ติดตามหรือรู้ติดตดนะ หรือไม่ใช่ไปจ้องติดๆก็สังเกตดูใจของเราเป็นพักๆนะไม่ว่าเราทําอะไรโดยพราะเวลาใจมันเผลอไปแล้วก็ให้เออก็รู้ถ้าเราไม่สังเกตก็ไม่รู้หรอกว่าหลงไปละ ล, ล, ลืมไปแล้วลืมตัวไปละสังเกตเนะแต่ว่าไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยก็เราก็รับรู้อยู่กับสิ่งนั้นนะตาก็มองเห็นที่เราล้างจานนะ เราก็รู้สึกถึงนะมือที่มันเคยยื่อนขยับนะอันนี้เรียกว่าเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาใจมันอยู่กันเดียกับตัวเมื่อใจอยู่กันเดียกับตัวเนี่ยก็จะรับรู้ว่ามามันมีการเคลื่อนขยับนะมือก็วางจานวางช้อนวางซ่อมเหมือนกับเวลาเราสร้างจังหวะเดินจงกรบเนี่ยนะมือที่ยกเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามือยกแต่ว่าไม่ใช่ไปจ้องนะไปเพ่งที่มือ แครู้สึกเบๆว่ามือยกหรือว่าเท้าขยับขณะที่เดินจงกรมถ้าใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันจะรับรู้มันจะรู้สึกคําว่ารู้สึกตรงนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชรู้สึกสุดทุกแบบเวทนานะคำว่ารู้สึกในภาษาไทยนี่มันความหมายมันเยอะนะรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดอันนี้เป็นเวทนาหรือรู้สึกว่าเขาไม่ซื่อกับเราอันนี้มันไม่ใช่เวอันนี้มันไม่ใช่เวทนาอันนี้เป็นความคิดนะ รู้สึกบางอย่างเนี่ยมันเป็นเวทนารู้สึกบางอย่างเป็นความคิดคนไทยเราใช้ความรู้สึกกับความคิดนหลายอย่างรู้สึกว่างานนี้ไม่สำเร็จนะคงไม่สำเร็จนะอันนี้มันก็เป็นความคิดนะรู้สึกว่ามือกำลังเคยื่นขยับนเท้าอ่าก้าวเดินเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอ่าความรู้สึกที่ี่ก็เป็นความรู้สึกที่เราใช้ไปเอามาใช้นะกับชีวิตประจำวัน แต่ก็ไม่ใช่เวทนานอันนี้แหละที่เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมละ ม, มันใกล้กันละตัวความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเพราะถ้าเกิดว่าใจรวมอยู่กับเน้อกับตัวเมื่อไรเนี่ยเวลาร่างกายมันขยับเนี่ยก็รู้รู้รสึกเช่นคือ น, น้ําลายเนี่ยก็รู้สึกนะตาพิบตาก็รู้สึกอันนี้เราเรียก ง, ง่ายๆว่ารู้กายรู้กายต่อไปเนี่ยพอรู้กายนะได้ดี ต่อเนื่องทําอะไรนะก็รับรู้ว่ากายนะมันคือขยื่อนขยับไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำถูฟ้าล้างจานซักผ้ากวาดบ้านนะรู้สึกนะเวลามือขยืดขยับก็รู้สึกเพราะว่าใจมันอยู่กันในกระตวพอใจมันเผลอไปนะไปคิดโน่นคิดนี่ก็เห็นมันได้ทันนะหรือเห็นมันได้อย่างรวดเร็วว่องไว หรือรู้ว่าเราลืมตัวไปเมื่อสักครู่นะไอ้แค่ระลึกได้นะว่าอตอนนี้นี่เรากําลังอาบ น, าน้ำเนี่ยตอนนี้เรากําลังล้างจานนี่ใอ้ความระลึกได้ช่นนี้แหละนะมันก็ทําให้กลับมารู้สึกตัวได้ความระลึกหรือความจําได้นะว่าเรากําลังล้างจานหรือว่าเรากําลังสวดมน นะเมื่อกี้มันเผลอไปคิดโน่นคิดนี้แล้วนึกขึ้นมาได้ตรงนี้ก็คือสติสติความราลึกไดนะ้สติมันมีหลายแบบนะสติธรรมดาสามัญกนะ็จำได้ว่ากุฏิที่พักเราอยู่ตรงไหนจอดรถไว้ตรงไหนนะจำได้ว่าเราบอกคนที่บ้านว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่ หรือจาได้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเมื่อวานนี้เนี่ยมีการบวชเนนจําได้ว่าอาหารกลางวันที่กินอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นสติที่เราใช้บ่อยๆนะในชีวิตประจำวันเป็นสติทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดว่าขณะที่กำลังใจลอยหรือลืมตัวแล้วก็ทะลึกได้จําได้ว่า นี่เรากาลังสวดมนต์นะนี่เรากําลังยกมือสร้างจังหวะนะนี่เรากาลังกินข้าวอยู่นะตรงนี้มันเป็นสติที่ว่าช่วยให้รู้ตัวเป็นสติที่ทําให้เราลึกได้เรื่องกายเรื่อใจอย่างนี้เป็นสัมมาสตินะเป็นสัมมาสติเพราะมันช่วยทําให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นและพอมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่กุศลธรรมเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอันอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ย เมื่อใดบุคคลมีความรู้สึกตัวกุศลธรรมใดที่เกิดแล้วก็ดับไปกุศลธรรมใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นความรู้สึกตัวเฉพาะนี้มันทำให้จิตใจเป็นปกตินะความระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจหรือสมาสตินี่มันทําให้จิตใจปลอดโปรง่งนะในเพราะาฉะนั้นแหละที่เรียกว่าเรานะกําลังครองตนอย่างมีสติหรือว่ามีสติครองตน แล้พระเจ้าก็ตรัสว่าถ้าผู้ใด ย, ยมีสติคลองตนผู้นั้นย่อมอยู่เป็นสุขแต่ก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าบุคคลเนี่ยต้องหมั่นมองตนหมั่นเตือนตนบ่อยๆเตือน ต, น, ต, น, ตนในที่นี้เนี่ยก็ไม่ใช่เตือนเฉพาะเวลาจะทำชั่วนะเช่นจะไปขโมยของเขานะหรือว่าจะไปด่าเขาก็มีสติเตือนว่าอย่าทำมันไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ว่ามี ยังหมายถึงว่ามีสติเดือนหรือคอยทักท้วงเวลาใจลอยด้วยเวลาใจลอยเนี่ยนะมันต้องมีสติทักท้วงนะหรือว่ามีสติมาเป็นเครื่องสกิดให้ใจเนี่ยนะมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันคนเราเนี่ยนะบางทีต้องอาศัยคนอื่นมาคอยทักท้วงทักท้วงที่ว่านี่นะไม่ใช่ทักท้วงนะให้ทำดีอย่างเดียวนะแต่หาทักท้วงให้ มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยเวลาเราใจลอยนะแล้วมีกำลังคิดน่นกำลังคิดถึงลูกกำลังคิดถึงพ่อที่กำลังป่วยกำลังคิดถึงหนี้สินนะทำให้เกิดความหนักอกหนักใจเพื่อนก็เห็นเราใจลอยเพื่อนก็เรียกชื่อเราเพราะว่าคุยไปคุยมาเพื่อนพูดแต่ว่าไอเราใจลอยตาเมือยลอยเพื่อนก็สังเกตเห็นเพื่อนก็เรียกชื่อ เพื่อให้เรากำ ม, มีสติอันนี้ก็เรียกว่าทักทวงนะเป็นการเตือนให้เรามีสติสติมันแต่ว่าถ้าเราไม่มีใครมาทักท้วงหรือว่ามาคอยเตือนเราเนี่ยจะทํายังไงถึงจะหายหลงเนี่ยก็ต้องมีสตนะิสติมาคอยทักทวงขณะที่สวดมนต์หรือขณะที่ฟังคําบรรยายใจมันลอยถักพักรู้ตัวขึ้นมาเราลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยอันนี้แล้วสติมันทํางานแล้ว แต่เราจะให้สติทำงานได้เนี่ยนะมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยการที่เราพยายามสร้างสติอันดีแรกเราก็รักษาสติสร้างสติต่อไปสติก็จะรักษาเราสติก็จะช่วยเราได้เั้นพยายามนะพยายามหมั่นสร้างสติด้วยการทำความรู้สึกตัวหรือว่ามีใจใส่ลงไปในสิ่งต่างๆที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการ เดินสติในรูปแบบนะเช่นสร้างจังหวะเดินจงกรมตามลมหายใจนะหรือว่าการทำกิจวัตรประจำวันไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะก็ให้มีความรู้สึกตัวนะให้ถือหลักว่าให้จำเอาไว้ว่าเนี่ยตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำทีลรอย่างนะททีลอย่างอย่าทำหลายอย่างพร้อมกัน คนเดี๋ยวนี้ทํำหลายอย่างพร้อมกันนะขณะที่อาบน้ําไปด้วยนะก็คิดแล้วว่า เ, ออเดี๋ยวจอาหารเช้านี้จ ะ, จะทําอะไรกินหรือจะทําอะไรให้ลูกนะมันคิดไปแล้วนะหรือขณะที่กินข้าวก็คิดถึงสิ่งที่จะต้องทําต่อไปอันนี้เป็นเยอะมากนะขณะที่กําลังเคี่ยวอยู่นนะเนี่ยก็คิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราจะไปทําอะไรบ้างอันนี้เราคิดข้ามชอนะ็อตเนี่ย ซึ่งดูเหมือนดีนะเออมันทำให้เราวางแผนนะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนว่าจะทำอะไรต่อไปข้างหน้าเราจะกินข้าวเสร็จแต่ถ้าเราคิดข้ามจอดอยู่บ่อยๆมันจะลืมตัวนะมันจะคิดไปถึงเรื่องโน้เรื่องนี้ตลอดเวลาทั้งที่มันยังไม่ถึงเวลาเช่นขณะที่เราขับรถรถติดเนี่ยนะมันคิดไปแล้วใจมันคิดไปแล้วว่าถ้ารถติดนานกว่านี้หรือถ้ารถติด ทีๆแบบนี้เดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเช่นตกเครื่องบินนะผิดนัดประชุมไม่ทันนะหรือว่าส่งรูปนะไปโรงเรียนสายนะพอคิดแบบนี้เข้าก็เกิดความกังวลเกิดความหนักใจเกิดบางทีเรื่องกังวนโกรวายบ้ทงที่มันยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยแต่ทุกไปละนะคนเราเนี่ยชอบ หาความทุกมาใส่ตัวด้วยการคิดข้ามชดก็เพราะว่านิสัยแบบนี้มันเราสะสมมาเองนะเวลาอาบน้ำเวลาถูฟันนะเวลากินอาหารเวลาทำครัวนี่ไปแล้วใจมันคิดไปข้างหน้าแล้วไ อ, อ้นิสัยแบบ น, นี้มันไม่ดีนะมันทำให้กลายเป็นคนขี้กังวล น, นะจะทำอะไรก็ไม่มั่นใจเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่า คนเขาจะว่าจะแสดงความเห็นอะไรไปนะก็กลัวคนจะไม่พอใจหรือกลัวเขาจะคัด้านเขาจะโต้แยง้งจามว่าเกิดขึ้นอย่างางแต่คิดไปล่วงหน้าแล้วนะคนที่ขี้กังวลนะจะเป็นแบบนี้ชอบคิดข้ามชอดนะมีบางคนนี่จะมาวัดป่าสุกโตนะอีกสิบวันนะกว่าจะเดินทางเนี่ยนะ ก็เริ่มคิดถึงวันกลับแล้วว่าขากลับนี่จะนั่งรถอะไรดีจะมีรถไหมเนี่ยยังไม่ทันเดินทางเลยยังไม่ทันมาวัดป่าสุกโตเลยคิดถึงการเดินทางกลับซะแ ล, แล้วพอคิดก็กังวลโอ้วันเสารนะ์เนอะจะมีรถกลับไหมเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เป็นการวางแผนนะเพราะว่ามันมันเป็นการเผลอคิดนะไม่ใช่ตั้งใจคิดแล้วก็ทำนี่เป็นประจำจนกระทั่งจะทําอะไรก็กลัวไปหมดกังวลไปหมด อันนี้เรียกว่าหลงนะชอบหลงเข้าไปในความคิดและจิตมันก็ชอบปรุงแต่งยิ่งปรุงแต่งเท่าไหร่จิตก็หลงเข้าไปง่ายเสร็จแล้วก็พลอยวันไหวนะไปตามภาพปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเดีอดเพราะที่ชอบปรุงแต่งไปในทางร้ายก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลไี่มีสติรู้นะรู้แล้วก็วางนะกลับมาอยู่กับปัจจุบันฝึกจิตฝึกให้เราทาอะไรเป็นอย่างย่างทาทีใดอย่างทำทีใดอย่าง อย่าเพิ่งคิดข้ามช็อตทําด้วยใจเต็มร้อยอย่าทําด้วยใจครึ่งๆกลางๆหรือทําหลายอย่างพร้อมกันคนเดินี่เนี่ยชอบบอกว่าเนี่ยใช้ชีวิตเต็มร้อใช้ชีวิตเต็มร้อยเชิญชวนกันให้ใช้ชีวิตเต็มร้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจะมีชีวิตเต็มร้อยได้เนี่ยมันจะใช้ชีวิตเต็มร้อยได้อย่างไรมีชีวิตเต็มร้อยคว่าทําอะไรเนี่ยใจก็อยู่กับสิ่งนั้นเต็มร้อยกินข้าวเนี่ยใจก็อยู่กับการกินข้าวเต็มร้อยนะ เวลาฟังธรรมใจก็อย evet. ู่กับการฟังธรรมเต็มร้อยเวลาอาบน้ํำใจก็อยู่กับการอาบน้ําเต็มร้อยเวลาคุยกับใครนะก็อยู่กับเขาด้วยใจเต็มร้อยไม่ว่าจะเป็นลูกพ่อแม่นะหรือว่าเพื่อนถ้าเราทําอะไรเนี่ยด้วยใจเต็มร้อยเนี่ยนะก็เรียกว่ามีชีวิตเต็มร้อยเมื่อมีชีวิตเต็มร้อยแล้วเนี่ยก็เรียกว่าใช้ชีวิตเต็มร้อยแต่ส่วนใหญ่คนที่ว่าบอกว่าใช้ชีวิตเต็มร้อยเนี่ยนะเขาไม่ได้มีชีวิตเต็มร้อยหรอกนะ เพราะว่าขณะที่เขาทำอะไรในใจเขาก็ลอยมันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างเพื่อจะได้สนุกสนานแต่ขณะที่สนุกสนานนั้นเนี่ยใจก็หลงใจก็ลืมเพราะว่ามันเพลินเนี่ยเพลินในความสุขลืมหน้าที่ลืมการงานนะไม่ต้องพูดถึงลืมตัวซึ่งมันเป็นเรื่องที่ละเอียดกว่าการลืมอย่างอื่นพยายามนะมีชีวิตเต็มร้อยนะหรือว่าตื่น อยู่เสมอไม่ใช่วันวันหนึ่งรู้ตัวนิดเดียวแต่ว่าหลงซะเยอะนะอันนี้มันก็เหมือนกับว่าอยู่แบบคนละเมอนะอยู่แบบคนละเมอคือไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวเท่าไหร่ถ้าไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวแล้วนี่มันจะใช้ชีวิตเต็มร้อยได้อย่างไรสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะทำอะไรก็ใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวหลงเข้าไปในความคิดก็มีสติรู้ทันแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันนี่เป็นเรื่องเดียวกันนะมีสติ นะแล้วรู้ได้ก็เกิดความรู้สึกตัวหรือสัพปปชัญญาขึ้นมานะสองอย่างนี้เป็นพี่น้องกันที่เราต้องเกื้อกูลให้เกิดมีขึ้นนะในเวลาทำกิจต่างๆอยู่เสมออรชานที่พระพุทนี้นะกราบครบ